เรื่องภิกษุชาวเมืองปาเถยะทักคีนาบทสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายชาวเมืองปาเถยะประมาณ60รูปทั้งหมด ทือุูดงคืออยู่ป่าเป็นวัดทั้งหมดเที่ยวบินทบาทเป็นวัดทั้งหมดทรงผ้าบาังสุกุลเป็นวัดทั้งหมดมีไตรจีวรเป็นวัดทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ประชุมปรึกษาหารือกันที่อโหคังคะบันพศภิกษุน์ทั้งหลายชาวอาวันตีทักกีนาบทประมาณแปดสิบรูป บางพวกถือธุดงคืออยู่ป่าเป็นวัดบางพวกเที่ยวบินทบาตเป็นวัดบางพวกทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัดบางพวกมีไตรจีวรเป็นวัดทั้งหมดเป็นพระอรหรันต์ประชุมปรึกษาหารือกันที่อโโหคังคะบันพศครั้งนั้นภิกษุผู้เทระทั้งหลายกำลังปรึกษากัน ได้ปรึกษากันดังนี้ว่าอธิกรณ์นี้หยาบช้ารุนแรงทำอย่างไรพวกเราจึงจะได้พักพวกที่ทำให้พวกเราเข้มแข็งมากกว่านี้เล่า